ตอนนี้ไปเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาในวันเข้าพรรษาก็ว่าได้เพราะวันศีล น, นี้เป็นวันศีลเท็นเดือนแปดใต้เดือนสิบเหนือเป็นธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาเป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันอยูตรามาดสามเดือนส่วนญาติโยมแม้จะไม่ได้เข้าพรรษาอย่างพระสงฆ์ก็ตามก็ฐานอนุโลมตามคนงามความดีใดๆที่จะบังเกิดขึ้นในกลางพรรษานี่ก็ให้พากันเริ่ม ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้คุณงามความดีมันเกิดมีขึ้นให้บนบาลมีแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับโดยเฉพาะคืนวันนี้ให้พากันนั่งขับสมาธิทุกๆุกคนการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขับสมา เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายหลือว่านั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้แก่เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายจะวางมือเอามือขวาทับมือซ้ายอันนี้เป็นนั่งขัดสมาธิเพชร เมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้วหน้าที่ของเราในเวลานี้ก็ภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบหรือว่าตั้งใจฟังโดยความเคารพไม่คิดให้ใจไปที่อื่นส่วนใจสังขารวิญญาณคิดไปที่ไหนเราก็ไม่ตามไป เอาจิตใจมาจดจ่ออยู่ในการได้ยินได้ฟังรวมจิตใจอยู่ภายในใจของตนจริงๆการนั่งสมาธิภาวานานี้ไม่ใช่ของทาเล่นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในการนั่งสมาธินี้ ในวันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสสู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวานาใต้ต้นไมโพไม่สลีการนั่งสมาธิภาวานาของพระพุทธเจ้าในคราวข้างนั้นแล้ววันนั่งแบบเสีสละแบบโดดเดี่ยว ไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคใดๆเหมือนเรานั่งอยู่นี่ที่นั่งของพระองค์จริงๆก็คือว่าคนเกี่ยวหญ้าได้หญ้าไปถวายท่านแปดกรรมท่านก็เอายาแปดกรรมนั่นแหละปูที่โคนต้นไม้โพกเก้าไม้สลีด้านตะวันออก ถิ่นพระพักถิ่นหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งสมาธิเพชรนั้นถ้าเราไม่เคยก็เป็นของยากถ้าหัดนั่งบ่อยๆทุกครั้งที่นั่งภาวนาก็ง่ายขึ้นมันคงกว่าการนั่งแบบธรรมดา พระพุทธเจ้าพระองค์นั่งแบบพิเศษขัดสมาธิเพชรนั้นเรียกว่าแบบพิเศษเพราะพระองค์นั่งครั้งนั้นเมจิตใจแน่วแน่มั่นคงถ้าไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ยอมลุกไปในที่ใดๆกล่าวง่ายๆก็คือว่ายอมตายในที่นั่งนั้นแหละ เมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อเชื่อใครจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระโดกก็ตามทีเราจะไม่ลกจากที่นั่งนี่เป็นอันขาดไม่ได้ตรับสรู ก, ก็ยอมตายในที่นั้นไม่ต้องกินต้องนอนกันนะแล้วลว่าเจ็บใจของพระองค์เด็ดขาด ไม่มีความท้อถอยประการใดอุบายภาวนาของพระองค์ท่านก็กำหนดลมหายใจคือธาตุลมและดวงจิตดวงใจของคนเรานะมันคล้ายคลึงกันธาตุลมลมหายใจอากาศลมนั้นไม่มีเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตน ไายกันกับโมโนธ า, า, าตุธาตุจิตธาตุใจของเราทั้งหลายดวงจิตดวงใจที่รู้ฟังทมได้ยินเสียงอยู่นี่ก็เหมือนลมแต่ว่าลมภายนอกก็ตามถ้ามันรวมตัวแล้วเป็นลมแรงพัดบ้านเรือนที่โยอาศัยของมนุษย์ตลอดจนต้นไม้หักไปเยอะแยะเวลามันรวมตัวก็แรง เจ็ดคนเราแต่ระบุคคนนี้ก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าไม่มีตัวตนแต่ว่าเวลามันจะทำบาปก็ดีเวลาจะทำบุญก็ต่างมันเอากายนี่แหละ้าทำเจดพากายทำทำบาปก็ได้ทำบุญก็ได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ล่นแรงเหมือนกัน บัดนี้เราได้มานั่งสมาธิภาวานาในวันเข้าพรรษาก็ว่าได้จงภาการตั้งใจเราจะได้ดเริ่มตั้งแต่คืนวันนี้เป็นต้นไปสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตั้งใจหรือตั้งสัตธิฐานลงไปก็คือว่าทุกคืนตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป เราจะไม่ให้ขาดในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวานาไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจของตนให้สงบระงับดีกว่าตั้งแต่ก่อนๆมาเราจะไม่ย่อท้อในการประพฤติปฏิบัติในข้อวัดเหล่านี้คืนไหน ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเป็นอันว่าเราจะไม่นอนเป็นอันขาะถ้ามันจะมาตายเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาก่อนจะนอนก็ น, นั่งสมาธิตายสักชาติหนึ่งก็จะดีตั้งเจตตั้งใจขึ้นมาใหามันกล้าหาญในใจบ้างเจเลมานสังขารมาน กิเลดความกรอดความลอกความหลงในหัวใจมนุษย์คนเหล่านี้มันเยียบย่าจะโหมเย็มเยียบย่ากายวาจาจิตของเรามาตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเราเกิดมาชาตินี้มันก็ยังย่งยําเยีอยู่ตลอดเวละ่ะยี่ยมเยี่ย่างไร ก็ย่ำมย่ด้วยความโกรธเมื่อคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นทำอะไรพูดคิดอะไรไม่เหมือนตอนเองก็โกรธตัวนั้นแหละสาคัญเลิกละให้หมดสิ้ในในกลางพัรษานี้ความอกเคือความไม่อิ่มไม่พอในใจนั้นก็เหมือนกันเป็นความร้อนในใจมนุษย์ ในพรรษานี่ททำใจให้พอเมื่อใจสงบใจพอนั่นแหละพระอยู่ที่พอไม่ใช่อยู่ที่แพทย์เราเห็นว่าน่องเหลืองเป็นพระน่องขาวเป็นผ้าขาวอันนี้มันเรื่องของผ้าเรื่องของใจนั่นต้องรวมมาโชสมาธิภาวนา อันสมาธิภาวานานีเป็นสิ่งที่เรียกว่าลี้ลับซับซ้อนอยู่หน่อยเพราะอุปสรรคต่างๆนั้นมันมีมากแต่ถ้าความตั้งใจของผู้ปฏิบัติทุกดวงใจมีสัจจะอธิฐานในใจของตนจริงๆนะอุปสกคก็ไม่มี มาเป็นอุปสรรไม่ได้ก็อย่างเราตั้งใจไว้ว่าถ้าข้าไปเจ้าไม่ได้ภาวนาเสียก่อนจะไม่หลับนอนเป็นอันขาดจะมีโรคภัยไขย้เจ็บบังเกิดมีขึ้นก็าตามเมื่อมันไม่รุนแรงจนกระทั่งว่าลุกไม่ขึ้นแล้วเราก็ต้อง ใหเด่นนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์พอสมควรจุดมุ่งหมายคือให้ใจเรานั้นและมีความมั่นคงหนักแน่นไม่วันไหวไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวผีสางเทวดาที่ไหนทางนั้นได้เวลาปฏิบัติภาวนาก็รีบ ลุกขึ้นตั้งใจปฏิบัติรวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่นไม่ให้ใจอืดอัดที่เศรวาเหงานอนไล่ทำมันออกไปให้หมดอปุปสรรคแห่งการนั่งสมาธิภาวนานี้ท่านว่านิวรณทางห้ามันเป็นอุปสรรค โดยเฉพาะนิวรนคือความง่วงเหงาหานอนตัวง่วงเหงาหานอนนี่เป็นตัวสำคัญถ้ามันเกิดมีขึ้นในจิตในใจในตัวของบุคคลผู้ใดแล้วไม่รู้เรื่องทั้งนั้น เวลาฟังเทศฟังธรรมฟังอุบายธรรมต่างๆแทนที่จะได้จดจำเอาธรรมะคำสั่งสอนไปภาวนาละกิเลสในจิตในใจก็จำไม่ได้เพราะจิตมันไปหลับเสียหูเมก็เป็นหูกระตาหูกระเศร้าไปอย่างนั้นฟังอะไรไม่รู้เรื่องเพราะว่าใจไม่ตั้งใจหลับ อย่าให้ใจหลับไหลเจตใจจะไม่หลับไหลนั้นต้องเป็นใจิตใจที่นึกน้อมอยู่ในภาวนาในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเจ็บไข้ความตายเป็นทุกความพับภาดจากตว์ทั้งสังขารทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลเราใจต้องระลึกอยู่ในสิ่งเหล่านี้ ให้มองเห็นภัยธรรมดาอันมันมีอยู่ในรูปนามกายใจของเรานี่แหละทุกเวลาว่าสิ่งเหล่านี้มันหนีไม่พ้นให้ใจนึกเน้อมองเห็นชลาพยาธิอันมีอยู่ในร่างกายสังขารของเราอยู่เสมอเจ็บใจก็ไม่ง่วงเหงาเหาหนอย ใจไม่หลับเล้วว่าใจชื่นบานเบิกบานโยภายในใจของตัวเองเรบแร่งภาวนาอยู่ทุกเวลาคำว่ามารณะกรรมฐานเราจะต้องเจริญให้โรู้โยทุกลมหายใจเข้าออกว่าลมเข้าไปเนถ่าออกมาไม่ได้เราก็ตายลมออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตาย ความตายในตัวเราในชีวิตจิตใจนี้มีโยทุกลมหายใจเข้าออกมันตายได้ทุกเวลาไม่ใช่ว่าได้ข่าวว่าสกายแลบสกายเหลิบจะตกลงมาแล้วก็กลัวตายอันนั่นมันเรื่องหนึ่งมันกลัวตายแล้วก็ฟุ้งซ่านไป ไอตัวเรามันตายไปทุกวันทุกวันนั่นดูให้ดีอะไรมันตายความแก่ความชราน น, นดูที่มันตายไปโดยลําดับลําดับคนแก่สีสันวันนะเป็นอย่างไดหูตาเป็นอย่างไดผมเป็นอย่างไรคนแก่นั่นลวมันตายไปตายไป คนแก่มักจะเจ็บเข่าเจ็บแข้งเจ็บขาเป็นนั่นเป็นนี่บ่อยๆเพราะอะไรนั่นและมันแก่มันเจ็บหรือมันก็คือว่าตายไปโดยลําดับลําดับตาแต่เมื่อเด็กเมื่อดมดูอะไรพออะไรชัดเจนเวลาแก่เท่าทําไมดูอะไรไม่ค่อยได้จะดนูนังเสี้ยนนังเซือก็ต้องใส่แว่นเข้าแว่น นั่นละคือมันแกเราให้นึกให้มันได้สอนใจใเราให้ได้ทำไมจึงบ่นว่าเจ็บนั้นเจ็บนี้ก็เพราะว่ามันแก่นะมันแก่ชราแล้วก็มันตายไปโดยลาดับลำดับด้วยแต่เราไม่ได้คิดอ่านไม่ได้เพียนแท่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาก็เลยเข้าใจว่าความตายนะั้นมันอยู่ข้างหน้าโน้นมันยังไม่ใกล้ แทาที่จริงวันหนึ่งมันหมดไปเราก็ตายไปแล้ววันนึ่งคืนหนึ่งหมดไปเราก็ตายไปในคืนนั้นแล้วมันตายไปโดยลำดับยังเหลือแต่มันจะตายหมดลมหายใจเท่านั้นแต่เราไม่สงบจิตสงบใจไม่ภาวานาดูให้รู้ในจิตก็เลยมาสำคัญผิดคิดว่าเรายังไม่ตายไงงๆ เป็นความประมาจงนึกโย่เสมอเดี๋ยวนี้เวลานี้ว่าความจริงเราตายอยู่ทุกขณะทุกเวลาเสียงที่เราฟังอยู่มันก็แตกไปดับไปที่ดังขึ้นมาใหม่ก็พูดใหม่ความจริงมันก็ดับไปมันก็แตกก็ตายอยู่นั่นแต่สติปัญญาของเราไม่ทันจิตมันก็ว่าวุ่นไปในที่ต่าง ทานให้นึกน้อมภาวานาพุทโธในใจมันก็ไม่เอาจริงให้นึกถึงความตายก็กลัวตายเสียอีกถ้านึกบ่อยๆมันจะตายเร็วเข้าเพราะเรายังไม่อยากตายความตายนั้นมันมีกฎเกณฑ์อยู่ตามชีวิตของแต่ละบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับการนึกว่าเราต้องตาย อันนี้เป็นอุบายตกจิตใจของเราให้รู้ไว้ว่าความตายนั้นไม่ใช่คำพูดเล่นเลยเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็แตกจริงๆตายจริงๆใครจะเอาไปไว้ที่ไหนไม่ได้จะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็าตาม ถ้าเกิดขึ้นมามีรูปนามกายใจอย่างเราท่านทั้งหลายนี่แล้วก็ต้องตายแน่ๆไม่มีทางแก้ได้อันที่เราว่าแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้คือมันยังไม่รุนแรงก็เหมือนกับว่าแก้ได้ถ้ามันรุนแรงแล้วไม่ว่าคนเด็กคนหนมแก่ชราเอาไม่ไหวเหมือนกันการที่เรามีชีวิตขึ้นมานี่ท่านว่า เป็นลาภอันประเสริฐอย่างว่าถึงวันเข้าพรรษาเราได้มาวัดวาศาสนาได้มาทำาศาสนพิธีจนถึงขั้นนั่งฟังเทศน์นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมฐานอยู่เราไม่ตายเสีย ก, ก่อนวันนี้เวลานี้ก็นับว่าเป็นบุญญาล่า มนุสสะปฏิลาโภเราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นี้ท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐได้แก่เราจะได้บำเพ็ญทานรักษาศีลห้าศีลแปดขึ้นไปจเจริญสมาธิภาวนาทำความเจียนละกิเลสเราไม่ตายเสียตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนโน้ โดยเฉพคนเราเพื่อนมนุษย์เพื่อนบ้านของเรานี่ยเมืเกิดคนตายไปสี่ี้ยังไม่ถึงวันเข้าพรรษายังไม่ได้มานั่งภาวนาตายไปเสียก่อนเยอะแยะทําไมตัวเราจึงรอดมาได้มาถึงวันเวลานี้นี่แหละท่านว่าบุญยังรักษาอยู่บุญกุศลที่เราทํามาในอดีตและปัจจุบันนั่นเอง หากยังให้ชีวิตของเราเป็นมาได้ไม่ตายไปเหมือนคนทั้งหลายที่เขาตายไปแล้วเป็นบนโกศเมื่อบนโกศมาถึงวันเวลาอย่างนี้แล้วเรายังจะปล่อยให้ใจิตใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นนั่นไม่สมควรเลยจงสงบเจ็บสงบใจรวมเจ็บลมใจบริกรรมภาวานา เอาจิตใจให้ใสงบระงับเย็นสบายตั้งมั่นลงไปเรียกว่าเอาใจถึงคุณพระพุท ธ, ธเจ้าจริงๆเอาใจถึงคุณพระธรรมจริงๆเอาใจถึงถึงคุณพระอริยสงสาวกเจ้าจริงๆเมื่อเราทุกๆคนมานั่งสมาธิภาวนาหลับตาไม่ใช่ว่าหลับแต่เพียงตานอก ใจไม่ไม่สงบไม่ได้อันนี้คือว่าปิดทวารปิดประตูหน้าต่างเท่านั้นแหละคนโยนายคือใจนะ่ะมันโยภายในนี้ใจนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่มีมันมีโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่เองตัวเราทุกคนเล่ก็หมายเอาลูกประคันตัวจริงๆคือดวงใจนั่น โรปร่างกายนี้เราจะเยียวยาพยาบาลไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ตายไม่ได้คนที่สุดต้องตายคนเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดาแต่ว่าในเมื่อเวลายังไม่ตายคือในขณะนี้เป็นต้นไป โดยเฉพาะพรรษานี้ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่าลั่งล่ อ, อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเหมือนแต่ก่อนอย่าไปมัวอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างเรื่องยุ่งยากต่างๆนานาลีมทาทาแล้วก็เป็นอันว่าแล้วใจแล้วตายแต่กิเลสมารสังขารมานั้นมันคอยอยู่ หาวิธีขัดข้องอยู่ทุกเวลาเดี๋ยวก็การงานมากเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้ขัดวันเวลาอยู่ตลอดเวลาอย่าไปตามเจตอันนั้นเมื่อได้เวลาแล้วให้ลุกขึ้นตั้งอกตั้งใจปฏิบัติในหน้าที่ภาวนาของตนให้ได้ไม่ได้อย่าไปอ่อนข้อต่อกิเลส ถามมันโกโหกพกรว่าหยุดเช ก, ก่อนคืนนี้ไม่ต้องนั่งภาวนาคืนหน้านั่งภาวนาก็ได้แต่ลองเธอถ้าเราไปหลวมไปตามมันเลยคืนหน้ามันก็หาข้อแก้อีกลองทายตั้งแต่เกิดจนตายหาเวลานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ก็ไปติโนนตินีนวาเป็นเพราะเหตุนั้นเหตุนี้จึงไม่ได้ภาวนา ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพราะความไม่ตั้งใจในใจของตัวเองนั่นแหละ ย, ยอมให้กิเลสมานสังขารมารมันตาเป็นเจ้าหัวใจเวลาจะสร้างบุญบรารมีของตนให้แก่กล้ามันมีอุปสรรคหาอุปสรรคมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเราอย่าหลวมตัวหลวมใจเข้าไป จองระลึกโยเสมอว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนี้จะหมดไปสิ้นไปได้ก็ด้วยการภาวนาไม่มีทางอื่นใดมันจะหมดไปเองสิ้นไปเองไม่มีกิเลสจะหมดไปสิ้นไปเราต้องนั่งสมาธิภาวนาเดินจมกรมบริกรรมภาวนากดดีพิจารณา ร่างกายสังขารของเราก็ดีเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะอันโรคร่างกายของคนเหานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าท่านให้กําหนดให้เห็นว่าร่างกายของเราทุกๆคนนี้ก็คือว่าธาตุดินที่เหนังหุ่มโยภายในที่แตะต้องได้นี่ได้ชื่อว่าธาตุดิน ธาตุน้ำก็ได้แก่น้ำเลือดน้าเหลืองจงกระทั่งถึงน้ำมดูดนั้นธาตุน้ำมันประชมกันอยู่ในตัวอันนี้เห็นี้เมื่อธาตุดินธาตุน้ำลงแตงขึ้นมาอย่างนี้แล้วธาตุไฟมันเป็นธาตุที่มาอาศัยเข้ามาอยู่ในธาตุดินและธาตุน้ำนัะน ธาตุลมก็เหมือนกันเป็นธาตุมาอาศัยแต่ก็โสดลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละธาตุลมหรือเราทุกคนฟังเสียงเทศเสียงธรรมคนพูดนกร้องอะไรก็ตามก็ธาตุลมนั่นแหละโสดลมหายใจเข้าไปก็พูดออกมาพ่นออกมากระทบอักคระ ในปากในคอก็เป็นภาษาคนเป็นภาษาสัพไส้เน่ให้พากันรวมจิตรวมใจตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงลงไปเจ็ตใจใดที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงให้พากันเลิกละปลดปล่อยออกไปตั้งใจให้นแน่วแน่เด็ดขาดลงไปว่าปีนี้พรรษานี้เวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติบูบชาภาวานาให้เข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับผู้ที่จะรีบเรล่งภาวานาปฏบิบัติบูชาเดินจมกรมให้เจริญก้าวหน้านั้นจะต้องระลึกถึงพระบรมมาสดาจารัจ ม, มาสัมาสพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ทีแรก ลองลงมาก็พระธรรมมีในคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดชี้แจงไว้ให้ชื่อว่าพระธรรมลองลงมาก็พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนับเป็นอสงไขยอสงไขยท่านที่ได้ดับขันเข้าสู่นรกพานไปแล้วจนตลอดสงสาวกในสมัยนี้อีกเราจะต้องนึกถึง จเจริญในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามนี่แหละเป็นสระที่พึ่งเราต้องจเจริญโยเป็นเนตดต่อกันไปเมื่อแยกว่าเป็นสามคันยนยอ่อเข้ามาก็รวมโยในพุทธโหนั่นพุทธโหพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมก็อยู่ที่นั้นพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายก็อยู่ที่นั้น ไม่ต้องไปหาที่เอืน่นเมโยในใจทุกๆคนอันการภาวนานั้นอุบายใดมันก็ดีทางนั้นแหละถ้าเราเอามาปฏิบัติมาพิจารณามาบริกรรมพุทธโธคำเดียวอาจสามารถจะได้สำเร็จเป็นพระโชดาพระสกิทาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันตตาไดา้ ไม่ต้องสงสัยมันขึ้นโยกับผู้ประกอบกระทำคือดวงจิตดวงใจของเรานั่นเองถ้าใจของเราไม่ตั้งมั่นลงไปเป็นใจงอนแง่นคอนแคนไม่หนักแน่กระทบอารมณ์ใดก็ว่าเววิตกวีจาร์ฟุ้งซ่านไปนั่นคือว่า ไม่ได้มาพิจารณากายกตาสติกรมฐานของตนว่ามันมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันรอความตายอยู่ทุกเวลาเราจะมาหลงเย็ดหลงเถือว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าจะไม่ให้มันเป็นอะไรอาวันาเล็กๆแน้อยังวางขันทังห้าไม่ได้ลองเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะ เมื่อแต่ด้านขึ้นมาอย่าว่าแต่คนธรรมดาแม้พระภิกษุสงฆ์สามมันเนนในทางพุทธศาสนาถ้าขั้นที่เรียกว่าได้แค่ฌานเพ่งโยในอุบายใดอุบายหนึ่งเจ็บใจสงบแต่ยังไม่ได้ละกิเลสเป็นสั้นๆช น, น, น, นส่วนนะั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันเริ่มหมดแหละ เมืดละ่ะพอาทุกขเวทนานั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยความเจ็บไข้ได้ตัวหรือความตายมาถึงมันเป็นภัยที่ใหญ่หลวงที่สุดไม่มีอะไรที่จะไปทัดทานได้เทนี้ถ้าจิตใจของผู้ภาวนานี้เป็นเจตใจอันมั่นคงในสมถ ภ, ภาวนาวิปัสนาภาวนา ไม่ยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราแยกออกได้จากจิตและเจ็ตก็ไม่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานั่นและจึงจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายในเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายเพราะจิตใจนั้นถ้าหากว่าจิตใจมันสามารถอาจหานแล้วชีวิตของคนเรานั้นทึงเมื่อใดก็ได้ อย่างพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะดับขันเข้าโซนารานในคืนวันนั้นมันก็ได้แต่ด้วยความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแก่โลกทั้งหลายพระองค์ก็รักษาชีวิตไว้ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลาย ให้ได้ไปสู่ที่ดีที่งามที่พ้นทุกพระองค์ก็อุตสาห์พยายามอยู่ในโลกกับมนุษย์สมัยนั้นตั้ง45ปีพระองค์มีความอดทนขนาดไหนเราทุกคนที่ได้ฟังธรรมในทางพุทธศาสนาได้ภาวนาได้ปฏิบัติบูบชามากน้อยตามส่วน ก็อย่ามีความท้อแท้ออนแอร์ในดวงจิตดวงใจเพราะว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในตัวคนเราคนหนึ่งนี้จิตเป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่ารูปร่างกายรรปร่างกายนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าเป็นบบาวไร้าลาดสะดอะใจนี้ท่านเปรียบเป็นเหมือนพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดินจะใช้ประชาราษดรให้ทำอะไรได้ท้งนั้นทัานจะฆ่าทิ่งก็ได้ใจนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ถ้าหาใจไม่ดีใจไม่ภาวนาใจไม่มีทานไม่มีศีลใจโมโหโทโสมันก็พาทำชั่วตลอดเวลาอันการทำชั่วนั้น ผลชั่วเมื่อมันมาถึงต้องเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าความชั่วนั้นอย่าพากันทำเชเลยดีกว่าทำบาปอย่าไปทำเพราะว่าบาปมันเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อภายหลังผลสะท้อนย่อนมามันไม่น่าดูไม่น่าฟังไม่น่าเห็น มันเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทั้งกายทั้งจิตพระพุทธ อ, องท่านจึงสอนว่าบาปยาพากัรทาให้ละเสียบนกุศลทานศีลภาวนาให้พากันประกอบกระทาให้เกิดให้มีขึ้น สิ่งใดไม่เกิดไม่มีขึ้นก็พากันประกอบกระทาให้มีขึ้นเหมือนว่าจิตเราไม่สงบเราก็บริกรรมภาวนาลงไปเอาให้สงบระงับได้ไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอย่างเดียวเท่านั้นละทําได้หมดบางคนก็คิดว่าทำไม่หนอข้าประเจ้าจึงไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน อยากจะให้บรรลุ น, นมักผลนิพพานเสียทีเดียวมันรู้แล้วรู้ลอดไปเนี่แหละถ้าเราต้องการอย่างนั้นจริงๆก็เนี่แหละทุกลมหายใจต้องตั้งใจใหม่ในพรรษานี่แหละตั้งแต่วันพระวันศีนวันนี้เป็นต้นไปเอาให้มันได้ทุกลมหายใจ ไม่ว่าภาวนาบทใดพิจารณากายกตาสติกรรมฐานก็เอาให้มันได้ทุกลมหายใจเนกถึงความตายให้มันได้ทุกลมหายใจเนกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าให้ได้ทุกลมหายใจทำจริงๆให้มันเข้าถึงจิตใจจริงๆแล้วมันจะเหลือวิสัยของผู้มีเพียรไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้แล้วว่าวิเิเยณทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้ก็เพราะความเพียรความเพียรความมันความขยันขันแข็งภายในจิตใจของแต่และบุคคลนั่นแหละเมื่อมีขึ้นในจิตในใจแล้วก็พากายวาจาจิตทั้งหมดทั้งมวลก้อนนี้ทําอะไรได้หมดทั้งนั้น มันขึ้นกับความเพียรความหมั่นของบุคคลความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงในใจของตนเพราะในใจนั้นใครจะมาบังคับบัญชาให้ทำตามอย่างโน้ออนอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าตัวเรามองเห็นผลประโยชน์ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้สงบจิตจะสงบใจอย่างนี้ นำความสุขความสบายมาให้แก่ตัวเราจริงๆไม่มีใครบอกผู้นั้นจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาทุกคืนคืนไหนเจ็ด ใ, ใจเลาะละและวันไหวไม่สงบระ ง, งับเราไม่ยอมอย่างเดียวล่ะเอาชนะได้ท้านั่งมันง่วงเหงาเฮานอนเราจะมานั่งทำไม เยินขึ้นบริกรรมภาวนาโยที่เถ้าเยินขึ้นโยเยินโยยังมีความง่วงเหงาห่าวนอนแล้วก็เดินสิเดินกลับไปกลับมาคือว่าเคลื่อนในร่างกายเคลื่อนไหวไปมาไม่ให้ความง่วงเหงาห่าวนอนเข้ามาทับถม ให้จิตใจบริกรรมภาวนาเบิกบานยิ่มแย้มแจม่มใสอยู่ภายในจิตใจอันนั้นทีนี่คนเรามันไม่เอาใจใจมาจดจ่อในข้อวัดปฏิบัติที่ตนจะประพฤติปฏิบัติภาวนาอยู่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสังขารก็บ่นว่าเราไม่สบายอย่างโน้น อ, อย่างนี้ อันโลประขันเนไ่ยครจะให้สบายตลอดตั้งแต่เกิดจนตายนั่นหาได้ยากไม่มากก็น้อยมันถึงมีเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆในน้อยอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่ยึดไม่ถือใจของเราก็จะได้มีโอกาสมีเวลาตั้งหน้าตั้งตาตั้งจิตตั้งใจภาวนาอยู่ทุกเวลา การภาวานาที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดมรรคเกิดผลเกิดความรู้ความฉ ล, ลาดความสามารถอาบหารขึ้นมานั้นจะต้องทำไปเองไม่ให้ขาดอย่างเราเคยว่าระสวดมนต์เสียก่อนจึงค่อยนอนยาให้มันขาดถ้ามันขาดวันหนึ่งวันสองก็ขาดถ้ามันไม่ขาดวันหนึ่งวันสองก็ไม่มีขาดทำได้ จะอ้างว่าเป็นนั้นเป็นนี่ก็มันยังไม่ตายยังนั่งภาวนาได้ไหว้พระได้ก็ไหว้ลงไปอย่าไปเชื่อไปฟังกิเลตมานสังขารลมานภายในจิตอันนั้นเรียว่าทําใจให้มีสติโยเสมอละลึกได้อยู่ทุกเวลาทําใจให้มีความสา ม, มารถอาจถามอยู่ในใจของตนอยู่ทุกเวลา ไม่ให้จิตใจมันอ่อนแอทอดแท้กลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายกลัวมันทาไมกลัวกิเลสมันก็ละกิเลสไม่ได้สิเมื่อไม่กลัวกิเลสแล้วก็ละกิเลสได้โดพระพุทธเธจา้าพระอริยเจา้าทั้งหลายท่านก็เนื้อหนังมังสังมนุษย์โลกมนุษย์นี่หละแต่ท่านไม่ยึดมัน่นถือมั่นแค่ความสุขความทุกข์อเมอยู่ในโลกปัจจันร ท่านเอาสมาธิภาวนาจิตใจภายในเป็นมาตรฐานลงไปวันไหนเวลาใดท่านก็สงบจิตใจของท่านให้เยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนทุกๆคืนการกินการนอนสนุกเฮฮาท่านถือว่าเป็นภัยอันตรายเราไม่ต้องไปเกี่ยวกกอกังวล ตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงโยในดวงจิตดวงใจของตอนจริงๆดวงใจนั้นเราฟังทำได้ยินเสียงโยที่นี่ก่อนน้นและดวงใจไม่ต้องไปหาที่ไหนละดวงใจผู้รู้โยมันรู้โยตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงอยู่นะ ไปหลงตามโลกตามเสียงตามกลิ่นตามรสลุ้ยไปไม่มีที่สิ้นสุดผลที่สดก็ไมู่ลไม่โลก็ยังมีโลอยู่ใน น, นั้นโดให้ดีตั้งอกตั้งใจลงไปเอามันทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกความอ่อนแอทอดแท้ในดวงใจไม่มีเป็นจิตใจอันหนักแน่นมั่นของ ไม่สะทกสะทานต่อใครอันตรายใดๆทั้งหมดเหล่าวาพุทธพออยู่ในดวงใจนี้ธัรมโมอยู่ในดวงใจนี้สังโฆ อ, อยู่ในดวงใจนี้บุญบรารมีอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ทานศีลภาวนาทั้งหลายแหล่มารวมอยู่ในดวงใจนี้เี่ก็คือเจ็ดดวงที่รู้อยู่ในตัวในใจเราทุกๆคน จงรวมจงสงบเข้ามาตั้งมั่นในจิตใจดวงนี้ให้ได้เอาจนจิตใจดวงนี้สามารถอาบหาเคลื่อนเชื่อว่าภาวนาหรือว่าทำคนงามความดีแหละมันจะเนดเนลยเมื่อยหิวขนาดหนักขนาดไหนก็ตามให้มันทําได้ที่ไหนไม่ได้ไม่ให้มีในดวงจิตดวงใจนี้มันก็ได้เท่านั้น ไม่ใช่เป็นของยากเป็นของเหลือวิสัยถ้าเหลือวิสัยมนุษย์คนเราประพฤติปฏิบัติไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจะเทศสอนไว้ทำไมพระธรรมวินัยคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดทรงสอนนี่มันเพื่อมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์เรานี่แหละจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงจังภายในจิตใจของตน คนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำช่างเขาเป็นหลักตัวเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังภายในจิตใจของเราเท่านี้ก็พอดวงเจ็ดดวงใจผู้ได้ยินได้ฟังโยในขณะเดี๋ยวนี้มีโยที่นี่ตถะาะตถาในที่นี่นี่ให้พากันรวมสงบเข้ามาตั้งมั่นในใจของตนให้ได้ เนเป็นโอบายภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้มานัดิการกำหนดจดจำไว้ณภายในแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศล ะ, ะนี้ สัพพิตโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุทธาปิจายิโนจัตตาโรโอธรร ม, มาวทันติอายุวันโนโสขังภาลัง